อ่าลำดับต่อจากนี้พร้อมอยังจะไปทัวร์กันไปทัวร์กันนั่งตัวตรง <c oughs> เพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนสิ่งที่เป็นกรรมฐาน อสุภานุปสิงหิหัรันตังอินทรียสุสรงหตังสุสงหตังโพชนาหิจมัตตัญยงกุสตังนีนวิออารัอารัตถวิริยังตังเวนับปสังติมาโรวาโตรุกวโตเสลังวัปปะตังว่า ผู้ปฏิบัติต้องให้จิตอยู่กับอารมณ์ที่ไม่งามไว้ฟังตรงนี้หน่อยแล้วให้สำรวมกิริยาสำรวมอินสีไว้โพชนาหิจมัตตัญุงรับประทานให้น้อยๆไว้อารัตถวิริยัง ตั้งความเพียนไว้ให้ต่อเนื่องมีกำลังไว้เพื่ออะไรตังเวนปะสหาติมาโรวาโตเสลังวัปปตังมานทั้งหลายจะรังควานไม่ได้จะรังควานไม่ได้อสุพานุปัสสิงแปลว่าให้มีใจอยู่กับอารมณ์ที่ไม่งามเป็นปกติ พูดเรื่องนี้ขึ้นมาทีไรเคยได้รับการคัดค้านเรียกว่าย้อนแย้งนะการพิจารณากายพระพุทธเจ้าให้เราพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่งามที่นี้คนเนี่ยมันก็จะย้อนแย้งว่าก็ทำไมการพิจารณามันต้องไม่งามละ่ะมมีร่างกายมีชีวิตอยู่ให้มันชุ่มชื่นชุ่มฉ่าชุ่มชื่นหัวใจให้มันสีวิไล ก็พิจารณาให้มันงามไปไม่ดีเหรอก็คนมันปรารถนาเรื่องงามอยู่แล้วพิจารณาให้มันงามให้มันงามให้มันงามมันก็จะดีมันก็รู้สึกว่าชุ่มชื่นกระชุ่ ม, ก ร, มกระชวยทำไมต้องไปพิจารณาไม่งามความข้อนี้ก็ตอบเชื่อตรงนี้ว่าที่พระพุทธเจ้าให้พิจาราว่าไม่งามไม่ได้หมายความว่ามันพิจารณาได้สองอย่าง คำว่าพิจารณาให้ไม่งามนั้นหมายความว่าให้พิจารณาตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงนั้นไม่งาม ừ, พอเราพิจารณาไปตามความเป็นจริงมันก็จะเห็นชัดว่ามันไม่งามนั่นคือความจริงมันไม่ใช่พิจารณาสองอย่างนะแต่ถ้าเราอยู่กับความไม่จริงพยายามทาให้มันเกิดขึ้นมาให้มันไม่จริง อันี้ก็ว่าไปอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าแต่จะให้อารมณ์เป็นตัวตั้งฐานของธรรมะปฏิบัติทุกๆชั้นจะต้องเริ่มต้นจากความเป็นจริงแต่การพิจารณากายให้เห็นในความเป็นจริงของกายแล้วจะรู้เองว่ามันไม่งามเราไม่ต้องไปพูดว่ามันไม่งามหรอกแค่เราพิจารณาแต่ละอย่างแต่ละอย่างด้วยหสถาน ที่ท่านว่าไว้คือโดยสีโดยสันฐานโดยกลิ่นที่เกิดที่อยู่เราก็จะรู้จะเห็นจากระจ่างว่ามันไม่งามอย่างไรจิตก็จะประจักษ์แจ้งความไม่งามนั้นเมื่อจิตประจักษ์แจ้งต่อกายของตนว่ามันมีความไม่งามเป็นปกตินั่นเรียกว่าอธุพานุปัสสิงวิหารังค์คือมีอารมณ์ว่าไม่งามอยู่เป็นปกติได้อารมณ์นี้บังเกิดขึ้นเมื่อใดแล้วเมื่อนั้นจิตก็จะเป็นกรรมฐาน การที่จะไปพิจารณาให้มันมีทำชั้นถูงสูงเป็นลำดับนั้นไปก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะฉะนั้นขอเชิญพวกเราทุกคนนั่งตัวตรงเก็บมือ <c oughs> ให้จิตไปตั้งฐานไว้ที่ลมหายใจก่อน รูลมหายใจไหลออกรูลมหายใจไหลเข้าให้เป็นฐานไว้ประคองลมหายใจระดับกลางกลางยาวๆให้จิตรู้ ในขณะเดียวกันให้สังเกตกายของเรากายทั้งกายของเราที่นั่งเรานั่งแบบไหนก็สังเกตกายทั้งกายที่นั่งแบบนั้นกายของเรานี้เบื้องบนตั้งแต่พื้นขวาเท้าขึ้นมาจนถึงศีรษะตั้งปลายผมเบื้องล่างก็ตั้งแต่ปลายผมลงมา จนถึงข่าเทา้าให้นำความรู้สึกของตนเองนะสังเกตกายตนเองเป็นเหมือนเมืองเมืองหนึ่งจิตรู้ก็ไปสัมผัสกายตนเองเหมือนเมืองเมืองหนึ่งแล้วก็ท่องลงมาดูทั้งกายจากปลายผมของตนค่อยค่อยลงมาเรื่อยเรืยเรื่อยเรื่อจนถึงข่าเทา้า จากฝ่าเท้าค่อยๆสังเกตพิจารณาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาจนถึงปลายเส้นผมปลายผมจากผมสังเกตลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงขวาเท้าจากขวาเท้าสังเกตขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงผม จากผมของตนพิจารณาไล่ลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงข่าเท้าจากข่าเท้าพิจารณาไล่ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนี้พิจารณากลับไปกลับมาจากเส้นผมลงมาเรื่อยๆจนถึงข่าเท้าจากข่าเท้าพิจารณาขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงเส้นผมในลักษณะท่าที่เรานั่งกันอยู่ นี่เรียกว่าอิยังโคเบกายโยกายของเรานีแหลพิจารณาขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงให้ชัดจิตเกาะอยู่ที่กายที่นั่งให้ชัดอย่างนี้ ด้านบนลงล่างพิจารณาล่างขึ้นบนจากนั้นก็พิจารณาจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายและดูกายที่นั่งทั้งกายรู้สึกกับทั้งกายที่นั่งอย่างนี้เมื่อจิตจับอยู่ที่กาย ของตนและฟังไปด้วยจิตก็เกาะกายไว้กายของเรานี้เป็นเหมือนนคร น, นครหนึ่งที่กระดูกยกร่างขึ้นเป็นเรือนกระดูกประกอบขึ้นด้วยาธาตุสี่มีดินน้ำลมไคว่สมานกันลมหายใจเป็นตัวสมานธาตุทั้งสี่ให้คงอยู่ ลมหายใจที่เคลื่อนเข้าเคลื่อนออกเป็นลมหายใจแต่งชีวิตถ้าลมหายใจที่เคลื่อนเข้าแล้วไม่ยอมเคลื่อนออกกายนี้ก็แตกลมหายใจเคลื่อนออกแล้วไม่ยอมเคลื่อนเข้ากายนี้ก็แตกลมหายใจจึงเป็นธาตุลมที่สมานธาตุทั้งสี่ให้คงอยู่เป็นชีวิตขึ้นมาจิตเกาะรู้ดูกายตัวเองไปเรื่อย ในธาตุทั้งสีน่นี้มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไข่เราก็พิจาจรณาในส่วนที่เป็นธาตุดินดินมีลักษณะแข่นแข็งท่านแยกไว้19ประชักษ์19อย่างคือผมขนเล็บกวรนหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่า นี่เป็นธาตุดินธาตุน้ำมีดีเสเลตหนองเลือดเงือมันค้นน้ำมันน้ำลายน้ำตาเปลวมันน้ำมูกน้ำไข่ข้อน้ำมูกสองอย่างนี้ธาตุดินธาตุน้ำนี่เป็นสามสิบเอ็ด รวมเป็นมันสมองเขาด้วยก็เรียกว่ามัทลุงคังก็คือเมื่อมันสมองก็เป็น32อเนี่ยอาการ32องของธาตุสองธาตุคือธาตุน้ำกับธาตุดินธาตุลมเราก็จับแค่ลมหายใจนี่มันประคองเ็เป็นกายกายของเรากายนี้เป็นทับผสมภาระคือการประกอบขึ้น ของาธาตุทั้งสี่ถ้ามันแยกาธาตุออกไปเช่นเอผมออกไปเอาขนออกไปเอาเล็บออกไปเป็นต้นเป็นกองกองกองกองคำว่าคนที่ถูกสมมุติว่าเป็นนายกองนางขอมันก็จะหายไปพระเจ้าตรัสว่าอยาท่าหิอังกะซัมพาราเหมือนสัมภาระเครื่องรถหมายคงว่า สิ่งต่างๆที่ประกอบกันเข้าให้เป็นรถรถคันหนึ่งที่เราเรียกว่ารถรถเพราะมันประกอบขึ้นด้วยหลายๆอย่างโสิสศศดโระโถอิติเสียงเรียกว่ารถก็บังเกิดขึ้นเอวังขันเทสุสันเตสุเมื่อขันห้ายังมีอยู่คือเมื่อชีวิตเรายังอยู่ยังนั่งอยู่ตรงนี้กายที่เรารู้จักกายของเราที่เรารู้สึกเกาะ อ, อยู่ตรงนี้เรียกว่าขันห้ายังมีอยู่ ตโติสัตโตติสัมติการสมมุติว่าสัตว์ก็บังเกิดขึ้นการสมมุติว่าสัตว์คือการสมมุติว่าเป็นเราที่เราสามารถมีชื่อเรียกเรามีชื่ออะไรก็เราก็ต้องร้องเรียกเข้าไปดูมันเกิดขึ้นเพราะสัพพสัมภาระเป็นเครื่องประกอบสิ่งที่ประกอบขึ้นมาเหล่านี้นะเรียกว่าหมู่กายกายทั้งกายที่ท่านกําลังเลื่อนดูจาก เส้นผมลงมาถึงขวาเท้าจากขวาเท้าขึ้นไปจนถึงเส้นผมทั้งกายของท่านเนี่ยอ้ น, นี้เรียกว่ากายกายใหญ่ในกายนี้มีตายเล็กๆที่เป็นกายในยเยอะมากลมหายใจก็เป็นกายหนึ่งในกายนี้ผมก็เป็นกายหนึ่งในกายนี้ ขนเล็บกันหนังเนื้อก็เป็นกายหนึ่งในกายนี้เป็นกายกายกายกายที่นี้เราจะมาพิจารณาท่องไปในกายนี้เป็นนักครแห่งกระดูกเริ่มต้นเราก็ท่องไปดูที่ไหนเราก็ไปดูที่ผมจิตไปพักอยู่ที่หนังศีรษะของตนเองไปรู้สึกที่ผมของตน เบื้องหน้าเพียงหน้าผากเบื้องหลังเพียงพลายกอต่อเบื้องขวางก็มีหมวกหูสองข้างเป็นที่สุดพิจารณาอยู่บนหนังศีรษะของตนเองเห็นรากเห็นโคนของเส้นผมที่ขวางอยู่ที่หนังศีรษะของตนทั่วหมดที่บนหนังศีรษะลักษณะเขาเป็นเส้นเส้นแต่ละเส้นที่ก็ขึ้นมาอยู่หนังศีรษะของเราก็าไม่ได้รู้จักกัน เส้นผมที่หอบอยู่เส้นข้างซ้ายก็ไม่ได้รู้จักกับเส้นข้างขวาเส้นข้างขวาก็ไม่ได้รู้จักกับเส้นข้างซ้ายมีแต่จิตเรานี่แหละที่รู้มีลักษณะเส้นเส้นยาวๆไปรูปร่างของเขาที่เกิดเขาเกิดอยู่หนังศีรษะ ลายเขาเป็นเม็ดดังตัวเขาหอกอยู่ในศีรษะของเราอยู่ได้ด้วยน้าเลือดน้าเหลืองเป็นตัวหล่อเลี้ยงรากผมนั้นแช่อยู่ในน้ำเลือดน้ำเหลืองเรียกว่าชุ่มแช่ในปูปโปโลหิตในเป็นจบ ก, กับปกโศโครกน้ำเลือดน้ำเหลืองของใครก็ของเรานั่นเองอยู่หนังศีรษะของเรา ดูเถอะมันหอกอยู่ในสิ่งสุกปรกโฉโครกแล้วก็จะคายสิ่งสกปรกโฉโครกออกมาเรื่อยๆเราต้องชำระสาสางของเส้นผมนี้หอกตั้งแต่เราอยู่ในท้องของแม่แล้วก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆสีก็แปปรวนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆบางเส้นก็หลุดไปงอกใหม่บางเส้นหลุดไปแล้วก็ไม่งอก บางเส้นก็แตกตรงปลายบางเส้นก็เปลี่ยนสีบางเส้นเปลี่ยนสีจากปลายก่อนบางเส้นเปลี่ยนสีจากโคนก่อนหาความแน่นอนไม่ได้แต่เมื่อเขาเกิดขึ้นแล้วมีความแปรปรวนปรากฏในขณะที่ตั้งอยู่ในที่สุดเขาก็จะหลุดล่วงออกไปและก็กลายย่อยสลายเป็นดินเดิมนี่เรียกว่าธาตุดินเส้นผมนี้ ที่หอกหมุกมุ่มอยู่ในน้ำเลือดน้ำเหลืองนี้ถ้าเขาไม่หลุดในตอนนี้วันหนึ่งก็ต้องหลุดแน่และถ้าเขาไม่หลุดอย่างนี้ร่างกายเราแตกจิตออกจากกายธาตุทั้งสีไม่สมานลมหายใจไม่อยู่ที่กายนี้แล้วธาตุน้ำธาตุดินจะแยกออกจากกันน้ำก็จะแทรกตัวออกมาจากดินผมของเราก็จะค่อยค่อยคหลุดออกจากหนังศีรษะร่วงลงสู่ดินแล้วก็จะย่อยสลาย กลายเป็นดินเดิมไปอ้ น, นี้เส้นผมของเราเขาไม่มีความสวยความงามความสวยความงามนั่นเป็นสิ่งที่เราสมมติยึดถือปรุงแต่งขึ้นแต่ในสภาพความเป็นจริงของเขาเป็นแบบนี้ผมของเราก็เป็นอย่างนี้ผมคนอื่นก็เป็นแบบนี้ โดยทั่วไปสามัญสำนึกใจของคนมีความรังเกยียจต่อสิ่งเหล่านี้เพราะเชื่ออยู่ว่าเป็นสิ่งสกปรปกไม่เชื่อลองพิจารณาดู้าราจิบของดื่มของฉันของดื่มของเคี้ยวของรับประธานถ้ามีเส้นผมเหล่านี้ไม่ว่าของเราหรือของคนอื่นร่วงลงไปในในในชามที่เราจะดื่มที่จะบริโภคเราก็จะเกิดความรังเกยียจไม่สามารถบริโภคได้อย่างสนิทใจ เพราะโดยส่วนลึกจิตมันรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสกปรกปฏิกูลเพราะมันเกิดและอยู่ในที่ชุ่มแช่กับสิ่งสกปรกโซโครกนี้เองผมของเราก็เป็นอย่างนี้จากนั้นเราก็ท่องเที่ยวต่อไปที่กายนี้ พิจารณาถึงเส้นขนเส้นขนที่ขึ้นทั่วสัพพางกายยกเว้นเส้นผมในทั่วสัพพางกายของเราเว้นขวามือขว่าเท้านอกนั้นมีเส้นขนเกิดขึ้นทั่วทุกสัพพางกายเส้นขนนี้ก็เหมือนกับเส้นผมนั่นแหละสั้นกว่าหอกทั่วสัปพางกายเว้นขวามือขว่าเท้าแต่ละเส้นก็หอกมีรากที่เกิด ฝังตัวอยู่ในผิวหนังของเราชุ่มแช่อยู่ในสิ่งสกุกโพโครกน้ำเหลืองน้ำเลือดมีลักษณะอาการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงต่างๆเหมือนกับเส้นขนเส้นผมนั่นแหละไม่มีความสวยความหามอะไรอยู่ในนั้นในลักษณะความเป็นจริงก็ชุ่มแช่อยู่ในปูโปโลหิตน้ำเหลืองน้ำเลือดเหมือนกันเช่นคนนี้ มันก็จะหลุดตัวเองออกมามีเกิดขึ้นแล้วก็หายไปเกิดขึ้นแล้วหายไปถ้ามันยังอยู่ไม่ยอมหายไปเมื่อกายนี้แตกลมหายใจไม่มาปรุงแต่งธาตุธาตุน้ำก็จะดันตัวเองออกมาจากธาตุดินเช่นคนนี้ก็จะหลุดร่วงออกมาจากผิวหนังของเราและก็จะย่อยสลายกลายเป็นดินซึ่งเป็นธาตุเดิมของเข้าไปไอ้นี่เส้นขนของเราเป็นแบบนี้ ก็มาดูอยู่ที่กายจากนั้นเราก็ท่องเที่ยวต่อไปไปดูที่ปลายมือปลายเท้าปลายนิ้วมือนิ้วเท้าของเราในสิ่งที่ถูกถมมุดชื่อเรียกว่าเล็บเล็บมีลักษณะเป็นเกล็ดเกล็ดแข็ง หอกอยู่ตามปลายนิ้วมือนิ้วเทาว้ารากของเล็บหอกออกมาจากน้ำเหลืองน้ำเลือดที่ปลายนิ้วมือนิ้วเทาว้ามีน้ำเหลืองน้ำเลือดเป็นตัวหล่อเลี้ยงชุ่มแช่อยู่กับสิ่งสุกกะปุกสโตรวครกอย่างนั้นและก็จะคลายสิ่งสุกกระปุกออกมาอยู่เป็นประจำ เราต้องตัดต้องชำระต้องชะล้างถ้าไม่ฉะนั้นก็จะทรงกลิ่นและก็จะดำสกรปรกที่เขาดำที่เขาสกรปรกก็ไม่ใช่เพราะเหตุอะไรอื่นก็ต้องคายสิ่งสกรปรกออกมาเพราะเขาเกิดได้ชุ่มแช่อยู่ในสิ่งสกรปรกโสโครกนี่เองก็ไม่มีความสวยไม่มีความงามอะไรความสวยความงามที่เกิดขึ้นที่เรียบเป็นสิ่งที่เราสมมติขึ้นแต่ความเป็นจริงเขาก็เป็นสิ่งสกรปรก ปฏิกูลโซโรครกอยู่ตามธรรมดาของเขาไม่แปลเปลี่ยนไปตามความหลงผิดของใครไม่แต่เรารู้เท่าไม่ถึงการไม่เคยพิจารณาตามความเป็นจริงไม่รู้เห็นในความเป็นจริงที่เป็นเขาว่าเขาเป็นอย่างไรเราก็เข้าใจว่านี่คือเล็บของเราเป็นเล็บสวยเล็บดีเล็บงามเล็บนี้มีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นในขณะที่ตั้งอยู่ก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลไปที่สุดและ จะแตกสลายหลุดออกจากนิ้วของเราแล้วในที่สุดก็จะย่อยสลายกลายเป็นดินเหมือนกันไม่มีสาระไม่มีตัวตนไม่มีอะไรที่บ่งบอกถึงความเป็นเราอยู่ในนั้นแค่เป็นาธาตุอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็หดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีตัวตนที่แท้จริงอยู่ในเล็บนี้แล้วจิตกลับกอกด ร, รู้อยู่ที่กายแล้วเราก็เดินทางต่อไปในกายของเรา จากนั้นน้อมก็ไปที่ปากค่อยๆเอาลิ้นขยับอยู่ในริมในโพรงปากของตัวเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะไปดูกายอีกอันหนึ่งเป็นกายเล็กที่ซ่อนอยู่ในกายใหญ่นี้ทึ่งเป็นธาตุดินที่สมมุติชื่อว่าควันเป็นลักษณะของกระดูกเป็นซี่ๆหอกที่กระดูกคางเบื้องล่างเบือบ้องบนสำหรับบดเคี้ยวอาหารมีจำนวนใกล้เคียงกัน ฟันนี้ก็หอกออกมาจากกระดูกรากของเขาฝังตัวอยู่ในเหงือกมีน้ำเลือดน้ำเหลืองเป็นตัวหล่อเลี้ยงชุ่มแช่อยู่อย่างนั้นสกรปรกโศโโรกปฏิกูลคายสิ่งสกรปรกออกมาตลอดเวลาเราต้องํำระสะล้างถ้าเราไม่บ้วนปากไม่แปรงกันไม่ทำอะไรทำความสะอาดก็จะส่งกลิ่นเหม็นสกรปรก วันนี้เขาเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วสึกหรอเสื่อมชุดผุพังไปในขณะที่ตั้งอยู่แล้วในที่สุดก็จะหลุดลุยออกมาจากเหือกแล้วก็จะย่อยสลายกลายเป็นดินไปอีกเหมือนกันแต่ละซี่แต่ละซี่ให้เราทำความรู้สึกต่อฟันของเราในความเป็นจริงเป็นอย่างนี้ <c oughs> ความสวยความงามที่เรารู้สึกต่อฟันของเราก็เป็นสิ่งที่เราปรุงแต่งสมมติขึ้น ไม่มีควันซี่ใดที่เป็นอมตะแค่เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ก็แปรปรวนปรากฏจำรุดทุโรมแล้วในที่สุดก็ผุพังหลุดลุยออกไปกลายไปเป็นดินธาตุดื่มของเขาถ้าไม่หลุดตอนนี้เมื่อเรากายเราแตกธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟไม่สมานลมหายใจไม่ปรุงแต่งธาตุธาตุน้ําก็จะแทรกตัวเองออกมาจากธาตุดินแล้วควันเราก็จะค่อยค่อย ค, อย ค, อยคอยหลุด ควันนี้ก็จะค่อยๆหลุดตัวเองออกมาจากที่เกิดที่อยู่ร่วงลงสู่พื้นดินแล้วก็แย่ ย, ย่อยสลายกลายเป็นดินเดิมไปควันก็เราเป็นอย่างนี้ควันผู้อื่นก็เป็นอย่างนี้ไม่มีสาระไม่มีตัวตนดีแท้จริงในควันนี้ความสวยความงามก็ไม่มีเอาจิตมาเกาะ อ, อยู่ที่กายทั้งกายสบายสบาย และเราก็เดินทางต่อไปที่กายของเราดูอีกกายหนึ่งซึ่งเป็นกายซ้อนอยู่ในกายใหญ่นี้เรียกว่าตะจะหรือตะโจปแปลว่าหนังหนังของเราเป็นลักษณะเหมือนกับถุงที่หุ้มห่อสิ่งต่างๆไว้ เบื้องนอกถุดก็เรียกว่าหนังกำพร้าแล้วก็มีหนังชั้นในความหนาของหนังแต่ละคนก็ไม่ห่างกันมากทั้งหนังของท่านหนังของโยมหนังของพระหนังของใครหนังผู้หญิงหนังผู้ชายมันก็ไม่ต่างกันอะไรกันมากเขาก็มีลักษณะเป็นเสมือนถุงถุงหนึ่งที่ใส่สมสิ่งสกรปรกโสโครกไว้ข้างในความหนาก็ไม่แตกต่างกัน สองมิลก็มีสามมิลก็มีแต่ไม่มีหนังใครที่นหนาห้ามิลสิบมิลก็ความหนาก็ใกล้เคียงกันหุ้มอยู่ทั่วสัปพางกายนี้เบื้องบนตั้งแต่ศีสะเรียกว่าหนังศีสะลงมาถึงพื้นเท้าเรียกว่าข่าเท้าก็ขึ้นมาจากฝ่าเท้าหลังเท้าก็เป็นหนังขึ้นมาตรงแข้งซ้ายแข้งขวาของเราก็เป็นหนังอยู่ชั้นนอก ขึ้นมาตรงข่าซ้ายข่าขวาก็เป็นหนังอยู่ข้างนอกที่ขาซ้ายขาขวาก็เป็นหนังอยู่ข้างนอกที่ลำตัวตั้งแต่สะโพกขึ้นมาตรงลำตัวทั้งหน้าทั้งหลังก็เป็นหนังอยู่ข้างนอกขึ้นมาจนถึงลำคอไปไหล่ซ้ายไหล่ขวาแขนซ้ายแขนขวามือซ้ายมือขวาก็เป็นหนังหุ้มอยู่ชั้นนอกขึ้นไปจนถึงศีรษะด้านหลังด้านบนด้านหน้าที่มีตามีคิ้วมีจมูก มีปากก็มีหนังอยู่ชั้นนอกห่มคลุมไปทั่วสัพพางกายอย่างนี้นี่เนียอหนังหนังนี้เกิดอยู่กับอะไรเขาก็ได้รับการเลี้ยงดูจากน้ำเหลืองน้ำเลือดสิ่งสกปรกโสโครกนั่นแหละแค่เจาะลงไปใต้หนังนิดเดียวก็มีน้ำเลือดสีแดงๆโผู่กออกมาเขาเกิดอยู่กับสิ่งเหล่านี้ เรียกว่าหมักมุมตัวอยู่กับสิ่งสกรปรกโฉโครกแล้วก็คายสิ่งสกรปรกโฉโครกออกมาตามตอมรูเล็กๆต่างๆที่เราเรียกว่าตอมเหินนั่นแหละถ้าไม่ชำระชะล้างก็จะมีสิ่งสกรปรกโฉโครกเกาะอยู่แล้วกายนี้ผิวหนังนี้สกรปรกที่สุดแต่เราพิจารณาดูไม่ว่ามือหรือเท้าหรือลําตัวของเรา ไปไปเปแปรเปื้อนแตะต้องสิ่งต่างๆไอ้สิ่งต่างๆที่มันสะอาดสะอาดอยู่พอกายนี้ไปโดนเข้าแล้วมันจะโสกรปรกหมดประตูวัดวาอารามที่เขาปิดทองไว้สวยๆไอ้ที่ประตูสังเกตดูที่มันดามก็เพราะมือของคนทั้งนั้นมันไปโดนแล้วก็จะโสกกระบกหมดผู้เจ้าบอกว่า ยถาปัจญังปวัตตมานังทาตุมัตเเบเบตังยะทิตังจีวรังตัดุปปพุญจโกจปุกลโออิมังปุติกายังปัตวาอาติวิยชิกุจชะนิโยชายาติหมายความว่าไอสิ่งทั้งหลายนี่ไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ย เขาอยู่ของเขาบางทีมันก็สะอาดอยู่ดีแล้วพอมาแตะต้องกับกายนี้แตะต้องกับหนังนี้มันกลายเป็นสิ่งสกปรกคำข้าวที่ตั้งอยู่ในจานมันก็ดูสะอาดสะอาดพอตักเข้าไปสู่ปากของเราแค่นั้นเนี่ยเอาออกมากลายเป็นสิ่งสกปรกกันทีเสื้อผ้าที่เราใส่ซักไว้อยู่ในตู้สะอาดห อ, อมแต่พอเราเอามาสวมใส่ก้าวเช้าเย็นถอดออกมา กลายมีกลิ่นสกรปรกออกมาทันทีเพราะอะไรเพราะหนังของเราเนี่ยมันไม่สะอาดมันสกรปรกมันชุ่มแช่เป็นปกติอยู่กับน้าเหลืองน้าเลือดร่างกายหนังนี่จึงมีความสกรปรกปฏิกูลอยู่เป็นปกติและหนังนี้ก็คงอยู่ในขณะที่ท่าสียังสมานกันยังประกอบกันข้าวลมหายใจยังปรุงแต่งท่าให้สมานกันไว้หนังนี่ก็ยังคงอยู่ดี แต่เมื่อใดท th ี่กายนี้แตกธาตุไม่สมานกันแล้วธาตุน้ำแยกออกจากธาตุดินหนังนี้ก็จะฉีกขาดธาตุน้ำก็จะดันออกมาร่างกายก็จะบวมบวมบวมบวมบมบมบมบมบมบมแล้วก็ค่อย่ยุยธาตุน้ำก็จะพยายามแทรกตัวมันเองออกมาจากทวารต่างๆหนังนี้ก็จะค่อย่อค่อยย่อยสลายย่อยสลายย่อยสลายย่อยสลายย่อยสลายกลายเป็นดินไป ความเป็นตัวตนความเป็นสาระว่านางสาวนั้นนายหนุ่มนั้นเด็กชายนั้นเด็กหญิงนั้นในหนังนี้ไม่มีแค่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเสร็จแล้วตั้งอยู่ก็มีความเฉื่อยสิ้นเป็นความแปรปรวนปรากฏแล้วในที่สุดก็แตกหายย่อยสลายไปกลายเป็นดินเดิมไม่มีอะไรคงเหลืออยู่ในนั้นนี่หนังของเราเอาจิตเกาะกายไว้ท่องไปสบายสบาย จากนั้นเราก็เดินทางลึกเข้าไปอีกไปดูเส้นเอ็นลักษณะเส้นเส้นเหนียวหนี๊าฉาบไปด้วยเลือดแล้วไปดูเนื้อของเราไปเห็นเส้นเอ็นที่โยงรัดดึงกระดูกให้คู่เข้าคู่ออกดูเนื้อ เนื้อที่ได้ผิวหนังเป็นจุดๆเป็นชุดๆเป็นก้อนๆเป็นแผน่แผนๆมีน้ําเลือดเลี้ยงสีแดงๆกล้ามเนื้อตามเนื้อก้อนเนื้อก้อนเนื้ อ, านนอบางอันก็ติดเปลวมันติดพังผืดหมกอยู่ทั่วตัวใต้เนื้อก็มีเส้นเอ็นให้ดูควบคู่กันไปเราเคยเห็นเนื้อหมูเราก็เห็นเนื้อไก่ เราเคยเห็นเนื้อสัตว์ที่เขาตัดแล่ขายในตลาดเนื้อเราก็เป็นอย่างนั้นสีอย่างนั้นดูลึกก็ไปที่ใต้ผิวหนังของเราตั้งแต่กระโหลกสีรากลงมาที่มันหนานนนอู่มอุ้มข้างในก็เป็นก้อนเนื้อนะเนื้อเหล่านี้มีสีเป็นอย่างนี้ได้รับการดูแลเลี้ยงดูจากนา้าเลือดน้ำเหลืองเหมือนกันแล้วก็คงอยู่อย่างนั้น แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแล้วในที่สุดเมื่อธาตุนี้แตกสลายเนื้อเหล่านี้ก็ย่อยสลายกลายเป็นดินเดิมไปอีกเหมือนกันไม่มีสาระอะไรอยู่ในนั้นคำว่านางสาวคำว่านายนั่นนายนีนนน่นางนั่นนางนี่ก็ไม่มีอยู่ในเนื้อนี้เนื้อนี้เขามีแค่เกิดขึ้นในเบื้องต้นเรเสื่อมสิ้นพิบัติแปรปรวนเปลี่ยนแปลงในขณะที่ตั้งอยู่แล้วก็ย่อยสลายหายไปในที่สุดเหมือนกัน เส้นเอ็นที่รัดรึงกระดูกอยู่นี้ก็เหมือนกันเป็นเส้นเส้นรัดรงโครงร่างเรือนนี้นักคร น, นี้ให้คงอยู่ตั้งแต่หนังสีตั้งแต่กระโหลกศีรษะรัดรึงลงมาจนถึงขวาเท้าข้างล่างเราคูได้โยกได้เดินได้นั่งได้กระดูกไม่หลุดลุยออกไปก็เพราะไอ้เส้นเอ็นเหล่านี้แต่มันรัดรึงกันไว้เส้นเอ็นเหล่านี้ก็ถูกเลี้ยงด้วยน้ําเลือดน้ําเหลืองอีกเหมือนกัน มีลักษณะเหนียวเหนียวยืดยืดเป็นเส้นเส้นเราเคยเห็นเอ็นกลัวเอ็นหมูของเราก็ไม่แตกต่างกันอยู่ตามที่ต่างๆทั่วร่างรัดรึงให้ให้นักพรคือกายของเรานี้เป็นบ้านเป็นเมืองขึ้นมาให้พิจนาทูเถอะเขาเป็นธาตุดินอยู่ในร่างของเรามีการเกิดขึ้นในเบื้องต้น ในขณะเกิดก็เกิดอยู่ในที่ชุ่มแช่บุโปโลหิตได้รับการเลี้ยงดูด้วยน้ำเหลืองน้าเลือดแล้วจากนั้นเมื่อร่างกายแตกสลายธาตุน้ำธาตุดินไม่สมานกันเอ็นนี้ก็จะย่อยสลายตัวเองกลายเป็นดินไปไม่มีสาระอัตตาอะไรที่แท้จริงอยู่ในนั้นเอาจิตก่ะกายอยู่ที่กายนี้ไว้ จากนั้นเราเดินทางต่อไปลึกลงไปในสิ่งที่ชื่อว่ากระดูกอันเป็นข้าวโครงเรือนของนักครแห่งนี้คือนครกายข้าวโครงเรือนของนครนกายเป็นนครแห่งกระดูกกระดูกนี่เป็นตัวลหลักเป็นข้าวโรงของขอบเขต แห่งกายนครกระดูกก็ตั้งแต่กระโหลกศีรษะลงมาถึงเท้าลักษณะแข็งๆบนศีรษะรวมเสร็จแล้วจนถึงเท้าเนี่ยรวบรวมประมาณสอง้อยหกท่อนชิ้นใหญ่ชิ้นน้อยที่เป็นกระดูกไม่นับกระดูกอ่อนๆเป็นชินช้นๆในกระโหลกด้านบนเรียกว่ากระโหลกศีรษะ กะโหลกศรรีรษะขอเราถ้าจากคอขึ้นไปที่เป็นกระโหลกด้านบนเนื้อกะโหลกที่เป็นกระดูกนั่นเป็นแดชิ้นประก บ, บต่อต่อกันมาหุ้มมันสมองของเราไว้อยู่ใต้ผิวหนังนี้อยู่ใต้เนื้อใต้พังผืดมีเลือดเป็นเครื่องฉาบทาเป็นส่วนๆกนะโหลกนี่8ดชิ้น กระดูกหน้าด้านใบหน้าของเราที่เป็นข้าโครงอยู่ได้บบก็อาศัยกระดูก1ี่บกชิ้นเป็นตัวคอยกลางกลางไว้แก้มก็เป็นกระดูกกลางไว้แก้มซ้ายก็เป็นกระดูกกลางไว้แก้มขวาก็เป็นกระดูกกลางไว้ตรงหน้าผากก็เป็นกระดูกกลางไว้ตรงใต้คิ้ว น, นั่นก็เป็นกระดูกกลางไว้ทัดดอกไม้ตรงนั้นก็มีกระดูกกลางไว้ ลงมาที่จมูกก็มีกระดูกคอยกลางวายลงมาที่ควันบนก็มีกระดูกกลางวายมีควันล่างก็มีกระดูกกลางวายคางเป็นกระดูกลงมาเรียวย้อยมาตั้งแต่ใต้กกขูลงไปจนกกขูซ้ายใต้กุกขูซ้ายไปสู่ใต้กกขูขวานะนะั่นกระดูกคางล่างยาวเรียวขึ้นไปอย่างนั้นนี่ดันหนะ้า ก็เป็นกระดูกของเราที่กกหูบริเวณกกหูซ้ายขวาก็มีกระดูกอยู่จากนั้นด้านหลังกระดูกคอต่อขอเราเข้าไปต่ออยู่กับกระโหลกศรีรษะเป็นข้อข้อลงมาจนถึงมาตั้งต้นจะเข้าสู่ตัวเมือง ด้านซ้ายมีกระดูกไหาปาร้าซ้ายด้านขวามีกระดูกไหาปาราขวาจากด้านซ้ายให้เราพิจารณาเข้าไปเป็นแข็งๆท่อนๆแล้วมีข้อต่อตรงนั้น ก, ก็เป็นกระดูกอีกที่มีเส้นเอ็นรัดเรึงไว้ที่ข้อแขนข้อต่ออะไรข้างซ้ายนะันต่อไปก็เป็นกระดูกท่อนแขนแล้วก็ไปต่ออีกท่อนหนึ่งก็เป็นท่อนแขนซ้ายไปจนถึงข้อมือ ได้มีกระดูกนิ้วมือต่อเข้าไปเป็นข้อข้อข้อข้อเนี่ยของเราให้เราพิจารณาลงไปไล่จากไหล่ซ้ายลงไปที่มือข้างซ้ายเราก็จะเห็นกระดูกของเราแล้วก็ไล่ไปทางไหล่ขวาจากไหอยปลาค้างฝาไปถึงข้อต่อซ้ายไล่กระดูกแขนซ้ายข้อต่อที่ข้อศอกซ้ายไอข้อศอกขวาไล่ท่อนท่อนแขนขวาเข้าไปจนถึงข้อมือ จนปลายนิ้วมือกระดูกนิ้วมือต่างๆเป็นข้อข้อข้อข้ออยู่ที่มือข้างขวาทั้งซ้ายทั้งขวามีลักษณะเหมือนกันนี่กระดูกของเราเดี๋ยวไล่ลงไปกระดูกสันหลังที่เป็นข้อข้อข้อข้อนาคานนี้เรียงร้อยกันอยู่จนถึงก้มก้นกบเรียงร้อยกันไปอยู่เชื่อมลงเป็นแท่งข้อลงไป จนถึงกระดูกเชิงกรานปีกซ้ายปีกขวาแล้วมีกระดูกสันหลังเชื่อมอยู่เป็นแกนขึ้นมาเป็นข้อข้ อ, ขอจากกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อก็แตกออกมาเป็นซี่โครงซ้ายและขวาทั้งหมด24มีประมาณใกล้เคียงกัน บางคนก็ส2สสองซ้ายขวาเป็นกระดูกโค้งๆเป็นที่ๆข้างซ้ายี่เป็นที่ๆร่างขวาแตกออกมาจากกระดูกสันหลังโค้ขงข้ามาที่ซวงอกที่นี่ด้านหน้าก็เป็นกระดูกซวงอกยาวลงมาเป็นหนึ่งแผ่นกลางออกมา ด้านล่างที่ก้นกบนั้นมีกระดูกเชิงกลานซ้ายและขวากลางอยู่จากนั้นก็ไปที่ข้างฝาก็จะมีข้อต่อระหว่างท่อนกระดูกขาฝาต่อกับส่วนที่เป็นเชิงกรานเป็นกระดูกอันเดียวยาวลงไปจนถึงเขา่าที่ข้อเข่าก็มีกระดูกเป็นตัวเชื่อมต่อ จากนั้นเป็นท่อนของขาช่วงล่างลงไปเป็นอันเดียวแล้วก็ไปแตกเป็นสองอันเป็นสองชิ้นตรงกลางแล้วก็ไปเข้าไปข้อต่อของข้อเท้าจากข้อเท้าไปเราก็จะเห็นเป็นกระดูกเป็นแนวทางออกไปเข้าไปสู่นิ้วเท้าแต่ละนิ้วก็เป็นข้อข้อข้อข้อเป็นโครงอย่างนี้นี่ข้างขวาข้างขวาเป็นอย่างไรข้างซ้ายเราก็มาดูมาท่องกันไปเห็นกันไป ข้างซ้ายเป็นอย่างไรข้างซ้ายก็ต่อมาจากกระดูกเชิงกลานข้างซ้ายต่อก็ไปลงเป็นท่อนขาส่วนบนลลงไปจนถึงข้อเข่าข้อเข่าก็มีข้อต่อจากข้อเข่าลงไปก็เป็นท่อขาส่วนล่างก็มีกระดูกสองชิ้นลงไปเป็นชิ้นเดียวแต่กลางเป็นสองชิ้นจนกระทั่งไปถึงข้อเท้าซ้ายข้อเท้าซ้ายต่อเสร็จก็แตกออกไปเป็นกระดูก เห็นเป็นกระดูกส้นเท้าข้างหลังเดินไปข้างหน้าก็เป็นกระดูกที่หอกต่อออกไปเป็นลำเพื่อออกไปสู่ปลายนิ้วเท้าแต่ละนิ้วแต่ละนิ้วแล้วก็เป็นข้อข้อข้ อ, ข, อข้ออย่างนั้นไอ้นี่เรือนกระดูกของเรารวมหมดเบ็ดเร็จิ้นทั้งกระท่อนใหญ่ท่อนเล็กเนี่ยประมาณ206ท่อนนี่คือกระดูกกระดูกของเราก็อยู่ด้วยความ ชาบนำเลือดนำเหลืองมีเช่นเอ็นรัดรึงไว้ถ้าตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายลมหายใจยังปรุงแต่งธาตุอยู่กระดูกนี้ก็มีอันเป็นไปแต่ก็เสื่อมไปตามลำดับแต่วันใดที่ธาตุลมไม่สมานธาตุทั้งสีนี้ไว้นคอนนี้แตกธาตุน้าแยกออกมาจากธาตุดินกระดูกเหล่านี้ก็จะ ไม่สามารถเคลื่อนไหวอะไรได้ตั้งอยู่เฉยๆแล้วก็กัดกร่อนตัวเองย่อยสลายไปตามเหตุตามปัจจัยกลายเป็นดินเดิมไปหาสาระหาอาตาัตราหาตัวตนที่แท้จริงในกระดูกนี้ไม่ได้ว่านี่ชื่อนี่นี่นี่นางสาวนี่นี่นายนี่นี่เด็กนี่นี่นี่นี่คุณนั่นคุณนี่ไม่มีในกระดูกนี้เขาก็มีหน้าที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนปรากฏแล้วก็ย่อยสลายหายไป หาสิ่งอะไรเหลืออยู่ไม่ได้เราไม่มีในนั้นนั่นก็ไม่มีในเราอย่างนี้นี่กระดูกของเราที่ชื่อว่าเรือนกระดูกของเราถอยกลับออกมาเอาจิตเกาะไว้ที่กายจากนั้นเราพิจารณา้าไปในกระดูกแต่ละชิ้นทั้งโครงร่างกระดูกแต่ละกระดูกเนี่ยทุกเนื้อพื้นที่ของกระดูกจะมีด้านในด้านในเขาเรียกว่า อัิมินยังอัติมินยังคือเยื่อในกระดูกคำว่าเยื่อในกระดูกก็คือไขกระดูกนั่นแหละถ้าเราเคยเห็นกระดูกหมูกระดูกไก่ที่ข้างในมันมีเยื่อสีน้ำตาลสีเลือดไอ้นี่เรียกว่าไขกระดูกมีหน้าที่ผลิตเลือดเหมือนกันอยู่ในนั้นนี่เป็นสิ่งจำาคัญเหมือนกันไอ้เยื่อในกระดูกก็เป็นาธาตุดิน เปลักษณะเข่นเข่นแข็งแข็งทำงานของเขาอยู่ตลอดเวลาแต่ในระหว่างที่เขาเป็นอยู่เขาก็จะมีความแปรปรวนเสือ่อยชินพิบัติไปเรื่อยๆไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนไม่มีอะไรไม่มีสาระของจริงอยู่ในนั้นมีหน้าที่ในการเหมือนกับกระดูกเกิดขึ้นตั้งอยู่มีความแปรปรวนปรากฏแล้วก็ย่อยสลายหายไปและเขาจะหายไปก่อนกระดูก เมื่อร่างกายนี้แตกสลายแล้วเยื่อในกระดูกนี้ก็จะย่อยสลายตัวเองไปเป็นดินก่อนจากนั้นจึงจะเป็นกระดูกที่ย่อยสลายไปไม่มีอัตรากายทุกกายที่กล่าวมาล้วนเป็นกายที่มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็เสื่อมสิ้นพิบัติแปรปวนไปเป็นธาตุเดิมทั้งสิ้นไม่เหลือเราอยู่ในนั้นไม่มีอะไรอยู่ในนั้น นี่เป็นกายนาครด้านในท่องก็ไปอีกเราก็จะเห็นม้ามเห็นหัวใจเห็นตับสองวังพังผืด เห็นไตสองซีด ท, ที่อยู่เหนือบ้านเอวของเราเป็นรังๆลักษณะคล้ายๆกับมา้าน้ำเห็นปอดอยู่ด้านบนใกล้ๆกับวัวใจปีกซ้ายปีกขวา ลักษณะคล้าๆกับใบโพหนาๆใหญ่ๆข้างในก็เป็นถุงเขาเรียกว่าถุงลมเวลาเราหายใจเข้ามันก็ฟูพองเวลาเราหายใจออกมันก็แฟบอ้นี้ก็เรียกว่าปอดมันมีหน้าที่ของมันทั้งมามทั้งหัวใจทั้งตับพังผืด ทั้งไตทั้งปอดเหล่านี้ก็เป็นธาตุดินที่เกิดขึ้นมาแล้วก็จะเทื่อมทิ้นพิบัตแปรปวนไปตามลำดับไม่มีอะไรเลยมีไม่มีของไหนที่มันสวยงามน่ารักน่าใครเป็นสิ่งโศกโปรติกูลโศโครกทั้งสิ้นแล้วก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ก็แปรปวนพิบัตแปรปวนปรากฏแล้วในที่สุดเมื่อร่างกายนี้ธาตุไม่สมานกันแล้วลมหายใจไม่แตงธาตุแล้ว ทางหัวใจตับพังผืดไตปอดเหล่านี้ก็จะย่อยสลายตัวเองออกไปกลายเป็นาธาตุดั้งเดิมคือาธาตุดินไม่มีเราอยู่ในนั้นไม่มีเราอยู่ในหัวใจไม่มีเราอยู่ในปอดไม่มีเราอยู่ในตับไม่มีเราอยู่ในม้ามไม่มีเราอยู่ในไตไม่มีเราอยู่ในพังผืด อ, อะไรเลยต่อไปไซส์ใหญ่ท่องเข้าไปอีก เราก็เห็นไส้ใหญ่ไส้ใหญ่นับมาตั้งแต่กระเพาะอาหารที่ต่อท่อลงไปกระเพาะอาหารลงไปแล้วก็เป็นไส้ใหญ่ไส้ใหญ่แล้วก็เป็นไส้เล็กเรียกว่าไส้ใหญ่ไส้น้อยต่อกันไปจนถึงตั้งแต่กระเพาะอาหารยันไปถึงถึงทวารหนักเป็นท่อเป็นเส้นเข้าไปอยู่อย่างนั้น มันมีส่วนที่ใหญ่ส่วนที่เล็กใหญ่ก็เรียกว่าไสา้ใหญ่เล็กก็เรียกว่าไส้น้อยยาวกดตัวอยู่ข้างในลำํำไสเหล่านี้มันก็เป็นธาตุดินอย่างหนึง่งให้พิจารณาดูล้นแต่เป็นจริงโตกโปรโคลโรคปฏิกูลไม่มีอะไรที่บง่งบอกว่ามันสวยมันงามน่ารักไม่มี แล้วก็ไม่มีเราอยู่ในนั้นด้วยเพราะอรัมสาทั้งใหญ่ทั้งน้อยมันเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็พิบัติแปรปรวนในทรามกลางแล้วก็ย่อยสลายหายไปในที่สุดกลับไปเป็นธาตุเดิมของมันของเราเป็นอย่างนี้ของใครก็เป็นอย่างนี้ของเราเองก็เป็นอย่างนี้ของคนที่เรารักก็เป็นอย่างนี้ของศัตรูของเราก็เป็นอย่างนี้ จากนั้นท่องให้ลึกเข้าไปยิเออกมุดเข้าไปมุดเข้าไปดสูสิว่าในกระเพาะอาหารในลำไส้ใหญ่มันมีอะไรที่เป็นธาตุดินเขาเรียกว่าอาหารใหม่อาหารใหม่คือสิ่งที่เรากลืนกินเข้าไปบดเคี้ยวออกวันเคี้ยวเข้าไปก่อนย่อยเข้าไปก่อนต่อมน้ําลายที่อยู่ในปากมันทํำหน้าที่ผลิตน้าย่อยออกมาช่วยช่วยย่อยจากการขบเคี้ยวของฝัน จากนั้นก็ส่งอาหารเนี้เข้าไปทางหลอดอาหารลงไปจนถึงกระเพาะไปถึงกระเพาะก็ผ่านกระบวนการย่อยอีกทีหนึ่งอันนี้อาหารใหม่ๆมันจะแพงเท่าไหร่ก็ช่างมีราคาเท่าไหร่ก็ช่างสีสันประดิษฐ์ประดอยสวยงามแค่ไหนก็ช่างแต่เมื่อส่งเข้าไปทางปากอาหารเหล่านี้ก็ถูกย่อยตัง้งแต่อยู่ในปากด้วยควันมีน้ําย่อยเข้ามาช่วยย่อยจากนั้นก็ไหลลงไปทางหลอดอาหารลงไปจงสู่กระเพาะ ไปถึงกระเพาะก็จะเจอกระบวนการย่อยย่อยย่อยย่อยย่อยย่อ ย, ย, อยใหม่ๆก็มันเป็นกะอยู่ในหน้า น, นังแล้วมันก็ค่อยๆไหลออกไปตามท่อผนังลำไส้นี่อาหารใหม่อาหารกล่องก็มีอยู่ในนั้นต่อจากนั้นออกมาคือเมื่อย่อยสลายเสร็จแล้วก็จะเป็นกากเรียกว่าอาหารเก่องส่งลงไปทางปลายของลําไส้ที่เชื่อมกับทวารหนัก บางส่วนนับตั้งแต่ที่มันถูกขับเคลื่อนออกไปจากทวันหนักออกไปแล้วนะเป็นอาหารเก่าแล้วยังมีข้างในอีกเยอะแยะไม่มีอะไรสวยเลยมีแต่ถก ก, ก, โกโระป๋องโครกปฏิกูลทั้งนั้นที่ว่าความสวยความงามความน่ารักไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้เลยเมื่อพิจารณาตามความเป็นจริงเห็นความจริงแล้วใครบอกว่าแต่ละชิ้นแต่ละส่วนที่เป็นธาตุดินที่กล่าวมานี้อันไหนของเราที่สวยงามมั่งไม่มี ไม่มีน่ารักน่าใครสักชิ้นเดียวไอ้นี้ในกายนาครส่วนที่เป็นธาตุดินยกจิตกลับมาที่ลมหายใจหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ยกจิตกลับมาที่มือข้างขวาขยับปลายนิ้วมือขวาให้จิตรู้สึกแล้วยกมือข้างขวาเคลื่อนช้าๆพร้อมจิตรู้สึกและวางไว้บนเข่าข้างขวายกจิตมาที่มือข้างซ้ายขยับปลายนิ้วมือซ้ายให้จิตรู้สึก ได้ยกมือข้างซ้ายขึ้นเคลื่อนมือซ้ายไปช้าๆให้จิตรู้สึกและวางมือซ้ายวางไว้ที่ข่าวซ้ายยกจิตกลับมาที่ใบหน้ารู้เฉพาะซึ่งใบหน้าของตนเบื้องบนเป็นหน้าผากเบื้องซ้ายเป็นแก้มซ้ายเบื้องขวาเป็นแก้มขวาเบื้องล่างเป็นคางเนื้อคางเป็นปากเนื้อปากเป็นจ ม, มูกจิตรู้สึกทั่วอยู่มุกขบนตนคือพื้นที่ใบหน้าของตนชั้นนี้แล้วพาหกหน้าขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็ลืมตาออกสมาธิตีตัวกลับ เชื่ออยังอ่ะเชื่อไหมล่ะฮะว่ามันไม่งามจริงๆใช่ไหมหรือใครยังไม่เชื่อความเป็นจริงเป็นอย่างนี้